คนฟังที่ครบรอค่ะรายการสรญญีสนทนาทุกตีห้าถึงตีห้าครึ่งของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุเอครอบครัวข่าวร้อยหกนะคะเป็นคลื่นของทางฐานเรือสทรอค่ะวันนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาของการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผูท้ทวจนะกันอีกแล้วนะคะเราไปพบกับพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโนวัดป่าดอนหายโศกกันได้เลยค่ะน้มักการกะท่านค่ะเดชพานค่ะวันนี้เป็นวันที่ มีคำถามอยากจะกราบเรียนถามท่านพอดีที่ฉันไปเห็นในข่าวที่ทางสภาการชาติไทยเขาชวนคนให้บริจาคอาวัยวะกันนะนะคะออแล้วก็ขึ้นต้นไว้ได้อย่างน่าสนใจค่ะตายไปเอาอะไรไปไม่ได้สภาการชาติไทยชวนบริจาคอาวัยวะสร้างกุศลโดยเนื้อข่าวก็บอกว่าความคิดที่ว่าการบริจาคอาวัยวะหรือร่างกายเมื่อเสียชีวิตจะทําให้ชาติหน้าเกิดมาเป็นคนไม่สมบูรณ์นั้น เป็นอุปสรรคที่ขัดกับความจริงที่ว่าในแต่ละสัปดาห์มีผู้เสียชีวิตจากการไม่ได้รับโอกาสปลูกถ่ายอวัยวะสามคนมถึงสี่คนนะคะในเมืองไทยเนี่ยเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีการเขียนต่อไปว่าการบริจาคอวัยวะเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่หมดหวังจากการรักษาด้วยที่อื่นๆถือว่าเป็นของขวัญเพื่อชีวิตในทางพุทธศาสนาเรียกว่าอุปบา ร, รมีทานการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยไดก ีใหม่ด้วยคุณภาพจากประสบการณ์ที่ได้พบกับคนใกล้ตัวของนักสแสดงท่านหนึ่งชื่อคุณธนูศักดิ์สุภทรัพดิ์คนนี้เาก็เลยหันมาริเริ่มโครงการให้ด้วยหัวใจรดน้งให้คนบริจาคอวัยวะและร่างกายแม้เราก็อนุโมทนาเลยนะคะทีนี้ดิฉันจะกล่าวเปี่ยนท่านละคะ่ะคำกล่าวที่ว่าการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายเมื่อเสียชีวิตแล้วจะทาให้ชาติหน้าเกิดมาเป็นคนไม่สมบูรณ์นั้นจริงๆแล้วเนี่ย เป็นอย่างไรคะถ้าตามหลักของพระพุทธศาสนาค่ะออการจะเกิดเป็นคนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะี่ยอยู่ที่กรรมก่ไก่รอเรือรอเรือมอาะนะเราอยู่ที่กรรมคือเจตนาว่าเราทํายังไงถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ใช่ไหมก็จะทำยังไงถึงจะให้เราเกิดเป็นคนสมบูรณ์เราก็อยู่ที่ว่าคุณทําความดีทางกายทางวาจาทางใจหรือไมนะ่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างกุศลอยู่เป็นประจำ ถ้าเราแขนขาจะบริจาคหรือไม่บริจาคยังไงก็ไม่มีปัญหาทั้งนี้อาตจมาถามไนงะสมมติคนเกิดมาแขนด้วนนะ่ะคนเกิดมาแขนด้วนหรือคนเกิดมาตาบอดตั้งแต่ตเกิดอย่างเงี้ยเอางั้เกิดมาต่อไปชาติหน้านี่เขาจะเขาจะไม่มีไม่มีตาไม่มีแขนอย่างนั้นเหรอมันมันไม่ถูกไง mm. อืมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราทำํำณปัจจุบันนะี้ถ้าเราทําความดีเอาชาติหน้าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเมีกายอันประณีตเกิดขึ้นได้ ในะความดีก็มี3าอย่างให้ทานรักษาสนะินเจริญภาวนาหรือว่าทําความดีด้วยการด้วยวาจาหรือด้วยใจ ก, ก็ได้แต่เพราะนั้นอย่างการบริจาคอวัยวะนะพระเจ้าบอกเป็นยังไงนะก็คือว่าการให้ทานนั่นแหละนะเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งเป็นการให้ทานด้วยอวัยวะแต่เพราะนั้นเราไม่มีอะไรเราจะให้อย่างพระเทวทัตเนี่ยก็ยังให้กระดูกคางของตัวเองกับพรนะพุทธเจ้าใช่ก่อนที่จะถูกธรณีสู่ไป กระดูกคาง่ะคะใช่กระดูกคาง์คืหมายว่าตอนนั้นถูกสูบไปหมดแล้วนะเหลือแต่เหลือแต่หัวโผลเอาไว้ก็เลยตั้งใจว่าจะถวายกระดูกรางเนี้ยกับพระพุทธเจ้าอ่าก็ก็อย่างน้อยก็ยังได้อานิสงส์ของคือกลับตัวกลับใจได้ในระหว่างที่กําลังถูกดูดไปนั้นเป็ น, น, นทานอย่างหนึง่งใช่เนทานอยงหนของการให้ทานอย่างนี้นี่จะเปรียบเทียบกับอะไรได้ครับเออก็เปรียบเหมือนกับเราถวายถวายอาหารวิพถีบาศ นะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ได้หาได้โดยง่ายนะอย่าง ใ, ให้อ่านดิตบตาบดคุณไปให้ถวายรถถวายการเดินทางหรือว่าถวายเครื่องประทินคมไฟพวกนี้ก็ถวายพระจุวรพื่นี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเราถวายสิ่งที่หาได้โดยยากอันนี้ก็ก็สามารถทําได้แ ต, แ ต, อต่อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามอันนี้เป็นการให้นะแีนี้ให้ได้บุญมากหรือน้อยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าของนั้นค่าสําคัญหรือไม่นะมันอยู่ที่ว่า บุคคลผู้รับเนี่ยเป็นใครนะเขามีกิเลสมากหรือน้อยค่ะนะคือถ้าเราจะพูดถึงจํานวนบุญที่จะได้นะคุณยมเตียวจา ก, กันให้เนี่ยน ะ, ค, ะคือถ้าผู้รับเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีมิโ ม, ม, มหนะหรือว่ากําลังปฏิบัติเพื่อทจ ะ, ะจะละราคาโทสะโมหะอันนีนะ้ผู้รับถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้จะได้บุญมากนะในขณะเดียวกันถ้าผู้ให้นะผู้ให้มีศรัทธาในการน้อมไปที่จะใหนะ้ก่อนให้ระหว่างให้หลังให้นะก็จะดีมากนะ ค, คือเราเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้สมมติ คุณถวายจีวรในพระสงฆนะ์เอาตัวผู้ให้อย่างเดียวนะเอาตัวผู้ให้ก่อนนะคุณไปซื้อจีวรมาคุณก็ถวายถวายไปนณะก่อนให้ระหว่างให้หลังให้เนี่ยคุณมีจิตระลึกถึงการให้ตรงนี้น้อยมากค่ะนึกออกไหมคุณจำตื่นนึกออกเนาะแต่ถ้าการให้อวัยวะเช่นลุดวงตาหรือไตณนะก่อนให้เนี่ยคุณจะต้องไปเตรียมการอย่างดีนะเขียนพินัยกรรมนะไปตรวจสุขภาพนะไปหาหมอสิ่งเอกสารรงต่างระหว่างให้เนี่ยคือคุณคุณก็กําลังจะตายไปนะ มันก็มันก็ยังระลึกถึงบุญนั้นมากกว่าทีนี้ตัวอาตมาเองจะไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้เราให้อวัยวะกับคนธรรมดาอย่างเงี้ยหรือเราถวายอาหารใส่บาตในประสงค์ที่เป็นบ้านหานเนี่ยอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันเราพูดไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจิตคุณนะ่ะที่คุณทําเนี่ยคุณตั้งจิตไว้อย่างไรมีศรัทธา ม, มากน้อยแค่ไหนในก่อนระหว่างและหลังอ่เาเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวแปรที่สําคัญมากที่สุดโอ้อันนี้ เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่าทําบุญแม้ว่าบางคนก็บอกว่าโอ๊ยทำแบบเสียไม่ได้ไม่แล้วเหรอเนี่ยแต่โอ้ยเสียไม่ได้ทําหนอย่างนี้ก็คงจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่าผลจะได้แค่ไหนเพราะถ้านอาจว่ามันอยู่ที่ผู้ให้มีศรัทธาไหมก่อนระหว่างแล้วก็หลังให้ใช่ะคะอันนี้ในส่วนของตัวผู้ให้อแล้วก็ยังต้องประกอบได้ผู้รับนะคะว่าเป็นคนที่มีกิเลสน้อย เป็นคนที่ศีลบริสุทธิ์แค่ไหนผู้ อ, อย่างนี้ได้ป่ะคะใช่ะคะทีนี้ในกรณีถ้าอย่างบริจาคอวัยวะเนี่ยพูดถึงทำให้คนคนหนึ่งที่กำลังจะเสียชีวิตแล้วรอดมาได้ดิฉนเข้าใจว่าความรู้สึกหมายถึงความรู้รับรู้ที่มีอยู่เนี่ยจะช่วยทําให้ความรู้สึกที่จะทําให้เจตนามันแรงกล้าศรัทธาแรงกล้านีน่าจะเป็นไปได้นะคะ ใช่แต่ก็แล้วแต่ละกันพระาอาจารย์ก็บอกว่ามันวิเคราะห์ไม่ได้แต่ขอให้รู้หลักเอาไว้ค่ะก็คือว่าไม่ต้องกลัวตายแล้วจะเว้าวจะแหวงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเน่ยไม่เกี่ยวท่านคะแต่ทีเนี้ยดิฉันก็เพิ่งดูข่าวว่าแหว่งมาอ่ามันเป็นเรื่องเดิมแล้วเป็นปีแล้วที่มีผู้หญิงอัฟกานิสถานคนหนึ่งไม่ทราบท่านเคยดูข่าวไหมคะผลิตเมื่อวานเปิดไปดูในซีเอนเอได้ในอ่าใช่ค่ะซีเก็เป็นผู้หญิง สาวๆเลยนะคะถูกสามีอะค่ะคลิปปลายจมกูกออกไปจนโวเลยแล้วก็ที่เป็นข่าวเมื่อวานนคือว่าได้รับการอุปถัมภ์จากทางน่าจะเป็นอเมริกานะคะให้ไปทำสัลยกรรมตกแต่งแล้วก็อะไได้รับการสัลยกรรมตกแต่งดูแล้วอย่างนี้มันน่าใจหายจริงๆนะคะมาครบแต่ถูกทำร้ายในลักษณะที่ จากคนที่รักอีกตังหากเป็นอุทาหรณ์อะไรได้บ้างนี่องค่ะโอ้อันนี้ก็ก็เป็นเรื่องของของกรรมที่เราจะดูได้ว่าถ้าเราเลือกคนที่มาเป็นคู่ครองเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่มีสีละมีจาระมีสติมีปัญญาเ้วก็เป็นอุทาหรณ์ว่าชีวิตคู่เนี่ยนะเราก็ต้องคอยระวังรักษากันนะอดทนกันนะทำหน้าที่ภรรยาดีไหมแล้วก็ทำหน้าที่สามีดีไหมแล้วก็เรื่องอวัยวะที่ อ่าสูญหายไปเนี่ยถ้ามาก็จะต้องบอกเขาว่าถ้าเขาฟังรายการอยู่นะค่ะก็ให้พิจารณาว่าเออเป็นโอกาสที่เราจะได้มีสร้างความอดทนได้ทําความดีแหละได้พิจารณาเห็นว่ามันไม่ค่อยเที่ยงเท่าไหร่นะคะมีมาอย่างดีก็ยังหายเป็นคนต่างาศาสนาอยู่ตางประเทศอีกต่างหากทีนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยเขเป็นพวกคนไทยด้วยกันเองล่ะคะ่ะที่ฟังรายการวิทยุอยู่ ออืก็จะมีหลายคนเหมือนกันนะคะที่อาจจะมีปัญหาว่าเออทําไมเราเกิดมามันเป็นอย่างนี้นะคนเราเนี่ยถ้าเห็นโลกกว้างมากขึ้นในวันก่อนที่ันก็ได้มีโอกาสเห็นคนที่ด้อยแคลนอะไรนะคะคนพิการนะคะอืแต่เขาก็มีความสามารถนะคะช่วยเหลือตัวเองได้ทําสิ่งที่เป็นงานศิลปะดีๆได้อืแต่พอเห็นแล้วเนี่ยพูดถึงในกรณีที่เราไปเห็นคนที่เหมือนกับว่าเขาพิการ หน้าตาไม่หนาดูบุคลิกภาพแตกต่างจากเราเนี่ยขณะนั้นเราคนวางจิตยังไงเพื่อให้เราไม่เกิดสิ่งที่เป็นกิเลสใช่ไหมคะสิ่งที่เป็ น, นอกุศลนะอาจจะเป็ น, วน ค, ความคิดที่ว่าน้อยเนื้อต่ําใจแทนเขาหรือว่าไปย่อเย้ยเขาอันนี้ไม่ควรทําแน่นอนสิ่งที่เราควรจะคิดก็คือว่าให้บุคคลนี้เป็นเทวดทูตของเราให้บุคคลนี้เป็นเทวดาทูตของเราเทวดทูตมีห้าอย่างเด็กเกิดใหม่แดงๆอยู่นานร้องไห้แงๆ นะหรือว่าคนที่ป่วยนะคนพิการเป็นต้นนะแขนขาไม่มนะีคนป่วยนอนจมกองมูดกองคุกตัวเองในะที่3มคือคนที่นะคนแกนะ่เดินตัวงงเ ง, ง, ง, ง, ง, งื่อนตัวเป็นจุดหลังตกกระนะตัวสั่นเทิมนะผลตัดผมตัดอย่างลูกลวกผมขาวในะอย่างที่4ี่ <c oughs> ก็คือคนที่ถูกลงโทษนะติดอยู่ในคุกนะถูกลงโทษด้วยประก า, ารบานชีวิตหรือลงโทษด้วยที่กันต่างๆในะอย่างที่หาอะไรล่ะก็คือคนตายนะเราไปงานศพมีการเผา เห็นศพเผาอะไรพวกนี้ห้าอย่างนี้เป็นเทวทูตคุณโยมดตี้ยวถ้าเราเห็นแบบว่าอย่างไรครับเห็นว่านะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานะเราควรจะทำยังไงเนอะเมื่อว่าเราจะถึงเวลานั้นเราจะเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้นะผู้เชาก็พูดถึงให้ทำความดีทางกายทางวาจาทางใจนะให้ทาความดีทางกายทางวาจาทางใจนะเราจะเป็นผู้ที่พ้นจากความเจ็บเหล่านั้นเป็นธรรมดา อาจจะเป็นผู้ที่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายเหล่านั้นเป็นธรรมดาได้คแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นะโอ้โหดีมากเลยเขาจะได้บุญด้วยซ้ำนะเพราะว่าเขาเป็นเทวทูตให้เราค่ะอืเนั้นต่อไปเนี่ยถ้าเห็นแล้วให้ช่วยประโยชน์เลยใช่มองให้เป็นเทวทูตในในในขอกลับมาที่ประเดน็นเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะน ะ, ะด้วยการให้อวัยวะนิดนึงเนี่ยนะแตเพราะว่าตะกี้ได้พูดถึงการที่ครวัตเลี้ยงชีพเนี่ยผูช้ชอบเคยพูดถึงการ บูชาเทวดาไว้นะว่าเทวดาเนี่ยมันมีอยู่หลายนัยยะด้วยกันนะอย่างสมมติชีวิตของเราเนี่ยคนที่เหมือนกับมาช่วยเราในเวลาที่ยามลําบากสุดๆเลยนะคุณยมเต๋วลาบากสุดๆปุ๊บมีคนมาช่วยเนี่ยโหคนที่เหมือนเทวดาเลยนะลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของเทวดานะคือคนที่คนดีๆอยู่ ๆ, ๆปุ๊บก็มาช่วยเราเลยอย่างเงี้ยนะอยู่ในจังหวะที่ขับขันเจอคนนี้โอหเหมือนเทวดาจัดแต่งไว้ให้นะเพราะฉะนั้น การใช้ใจ่ายทรัพย์ในการบูชาเทวดาเนี่ยสมควรนะคือกำลังจะพูดถึงกรณีว่าสมมติคนรับอวัยวะเนี่ยคนรับอวัยวะน ะ, ะคุณก็ควรจะใช้ใจ่ายทรัพย์บูชาเทวดานี่เป็นการใช้ใจ่ายทรัพย์ฐานที่3ามแตหลังจากที่แบ่งจ่ายทรัพย์ของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยก็มาแบ่งจ่ายทรัพย์ในการบูชาเทวดานี้ก็ควรทําอยู่คือหมายความว่าคนที่ให้อวัยวะคนอื่นเนี่ยเิ่มเสมือนเป็นเทวดาของผู้รับเพราะนั้นของในส่วนของผู้รับเนี่ยก็ควรที่จะ อแบ่งปันทรัพย์เพื่อที่จะบูชาเทวดาตรงนี้หมายความว่าตอบแทนเป็นทรัพย์อย่างนั้นหรอคะใช่ใช่ใช่อันนี้สามารถทําได้ไนะ อ, อย่างไรก็ตามเป็นการใช้ใจ่ายทรัพย์ฐานที่สามนะท้าคุณมี ค, คุณจะทําคุณก็ทําได้อโอค่ะเพราะว่ามันมีประเด็นนะคะท่านคะอืมบางครั้งก็บอกว่ามีการซื้อขายอวัยวะกันอืมออ่อย่างในเคยได้ยินนะบอกว่าคนป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาล ใช่ไหมคแล้วก็มีกระบวนการขโมยไตยไปเลยเปลี่ยนให้อีกคนหนึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนั้นเป็นการซื้อขายใช่ไหมแต่นี้เป็นการบริจาคคือการบริจาคเนี่ยหมายความว่าเราจะไม่ได้ต้องให้ตังค์ก็ได้นะคนคนที่รับบริจาคเนี่ยก็ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีคุณจะแบ่งใจครับคุณสามารถทําไดค้คือกําลังจะพูดถึงความเป็นเทวดาในบุคคลต่างๆนะว่าคนที่มาช่วยเหลือเราอสมมุติาเราขับรถชนอย่างเงี้ย มีคนมาช่วยหรือรถเสียกลางถนนอย่างเงี้ยมีคนมาช่วยเปลี่ยนนั่นเปลี่นนี่ให้โอ้โหนี่เหมือนเทวดาเลยอืมค่ะลักษณะนี้นะคือเป็นการช่วยคนอื่นค่ะแต่ถ้าตามพุทธวจนะก็คือเราสามารถที่จะจ่ายทรัพย์เพื่อเป็นการบูชาเทวดา<ช>ซึ่งทรัพย์ในที่นี้จะเป็นอะไรก็ได้ที่ ม, มีคุณค่าถูกไหมคะใช่ใช่ก็เป็นเรื่องที่ได้ความรู้ไปอีกแบบหนึ่งท่านคะทีนี้พอมาถึงตอนเนี้เนี่ยตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะ ลาัจากในการนี้ไปในเมื่อพูดถึงการบริจาคอวัยวะและร่างกายเลือดเนี่ยคะ่ะถือว่าการให้เลือดบางคนก็บอกว่า โ, โอ้เขาให้เลือดประจําคนให้เลือดนี่กับการบริจาคอวัยวะเหมือนหรือต่างกันอย่างไงไหมคะโอก็เหมือนกันนะเพราะว่าเลือดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันคือการให้เนะี่ยเป็นจิตที่ให้เนะี่ยเป็นจิต ท, นะที่สละออกถ้างนั้นบางคนจะคิดว่าฉันตัดเล็บนี่ก็เอาไปโยนให้ ตัวอะไรที่มันอาจจะกินได้ก็กลายเป็นความดีมิ่มกันอันนี้ก็ก็เป็นความดีมิ่มกันแล้วเป็นการอวัยาจวะอวัยวะเหมือนกันนะั้นเล็บฉันเนี่ยเออหรือว่าตัวขี้ขี้ใครของเราเอย่างเงี้ยเราถูๆออกมาเนี่ยหล่นสู่พื้นอย่างเงี้ยมันก็มีตัวสิ่งมีช่วยอะไรที่มันมากินไปอ่ะน ะ, ะอันนี้ก็ถือว่าให้เหมือนกันนะท่านครับทีนี้จะกราบเรียนถามจะถามว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราเกิดมาในในวันเนี้ยเรายังมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ น้อยเนี้ต่ำใจในภาพลักษณ์ของตัวเองทำมาช่วยได้อย่างไรอ๋ออันนี้จะสามารถทาให้เป็นคนมีวันะงามได้นะถ้าเราต้องการเป็นคนมีวันะงามเนี่ยพระเจ้าพูดถึงการให้รักษาศีลรักษาศีลเราจะงามจากภายในและหน้าตามันก็เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนเพราะนั้นเราก็ถือว่าเป็นการที่ เราพิจารณาไปด้วยได้เลยนะคือหน้าตาเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคนที่สวยขนาดไหนก็ตามเราก็เปลี่ยนแปลงเพรา ะ, ะนั้นเราสวยจากภายในดีกว่านะเราสวยด้วยการรักษาสีของเราสวยด้วยการการะทั่ของเราตรงนี้ถึงจะดีเพราะนั้นเวลาที่เราอยากจะต้องการให้เป็นคนที่สมบูรณ์นะเช่นว่ามีวันณักงามบริจาพูดถึงวันนักงามเนี่ยการรักษาสีนเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในมากทาให้วันณักงามค่ะนะคะเช่นคือถ้าเราอยู่ในสีในธรรมว่าอย่างนั้นเอถอะแล้วเร า, าต้องมีพบชาติ ต่อไปเราจะมีโอกาสที่สมบูรณ์กว่าเดิมได้ใช่หรือแม้แต่เอาชาตินี้ก็เลยเอาชาตินี้เลยคนที่มีจิตใจงามเนี่ยมันดูงามจากข้างในนะดูงามจากข้างในนะคุณไม่ต้องทําสัญญกรรมนะคุณไม่ต้องทําอะไรถ้าคุณมีเมตตามีศีลนะโอ้โหแน่นอนนะย่อมเป็นผู้ที่รักใคร่ของมนุษย์คือคนที่คุณถามว่าคุณอยากงามนี่เพราะอะไรเพราะคุณต้องการให้คุณอื่นเขารักใช่ไหมนะแน่นอนถ้าคุณมีเมตตาคุณอื่นเป็นคนรัก จะเป็นจะเป็นที่รักแรของคุณอื่นแน่แล้วถ้าคุณอยากรูปงานเพราะว่าอยากรูปงานไปเฉยใช่ไหมถคุณรักษาศีลจะมีความงามจากวันะที่มีอยู่ในภายในแน่แนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงมันอยู่ที่เราพัฒนาจิตแล้วจะไปสะท้อนผลออกมาทางรูปทางกายได้ใช่และนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการที่ได้มากราบ ถามคำถามท่าอาจารย์พิบูรณลอภิปุนโนในช่วงของรายการสัรม น, น, นาสนทนาสําหรับวันนี้นะคะก็ขอกราบในวส ก, การขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยี่งเลยค่ะเ่ยนานการที่ได้ฟงที่ครบคาท่านพิบูร์นั้นท่านอยู่ที่จังหวัดอุดรธา น, นีนะคะแต่ก็มีหลายครั้งที่ท่านจะต้องเดินทางเข้ามากรุงเทพมาเพื่อที่จะแสดงธรรมเองบ้างหรือว่าร่วมมากับท่านเจ้าวาดนะคะก็คือหลวงพ่อดออรสะอาดบ้าง ถ้าสมมติว่าท่านจะมายัางไงก็จะแจ้งให้ทราบกันเพราะว่าระยะหลังเนี่ยคงจะมีคนอยากรู้จักท่านมากขึ้นนะคะวันนี้รายการสัมสนีสนทนาค่ะเราได้สนทนากันมาเป็นเวลาพอสมควรทางสถานีทีว f เครอบครัวข่าวกวางเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากธรรมะที่ได้ฟังจากรายการนี้นะคะวันนี้เราลาการเป็นเพียงเท่านี้ค่ะพุทธ ว, ส, วสดีค่ะ